ก็กราบบูชาพระรัตนตรัยก็กราบคารวะพระอาจารย์ไพศาลผู้เป็นประธานหลวงพ่อกลมพระเถราอนุเถระเพื่อนสาธรมิกและขอเจริญพรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาที่มาร่วมกันปฏิบัติธรรมที่วัดป่าสกโตแห่งนี้ ก่อนอื่นก็ต้องขออนุโมทนาในความตั้งใจของทุกท่านที่ได้มาใช้ชีวิตอยู่ที่วัดป่าสกโตเพื่อเรียนรู้ชีวิตเรียนรู้กายเรียนรู้ใจของเราในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาถ้าเราได้ติดตามข่าวๆก็มีเรื่องที่ น่าสนใจแล้วก็พูดถึงกันอยู่นะโดยเฉพาะาแสดงออกถึงเรื่องความวิเศษนะเรื่องปฏิหาร์นะของอพระภิกษุนะที่ได้เผยแพร่ อ, ออกไปนะเป็นข่าวสารแล้วก็มีการพูดถึงกันในแวดวงของอาชาวพุทธนะก็คือการที่ มี เ, เจ้าอาวาสหรืเจ้าสำนักนแห่งหนึ่งก็ได้กล่าวถึงนักคิดนักประดิษฐ์ก็คือ Steve Jobs นายสตีฟจ็อบเมื่อตายไปแล้วได้ไปเกิดที่ไห น, นแล้วก็ไปทอบุญทำอะไรอย่างไรสุดท้ายก็มาจบตรงที่ ในทำนองของการที่เชิญชวนให้คนไปร่วมกันทำบุญให้กับวัดนั้นหรือสำนักนั้นนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นปรากฏการณนะ์ที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆในในสังคมชาวพุทธไทยเราแล้วนะก็มีท่านาประจันไพศาลก็ดีนะพระพยอมก็ดีได้ก็ติติงนะในการ พูดหรือในการแสดงความรู้ออกไปซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นการเตือ น, นทำให้ชาวพุทธเราได้กลับมาสนใจนว่าก่นสารที่แท้จริงของพุทธศาสนานั้นคืออะไรนะโดยเฉพาะในเรื่องของความพิเศษความอัศจรรย์นนหรือเรื่องปาฏิหาริย์ต่างๆ ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้ชาวพุทธเร า, เาถ้าไม่มีการติดติงกันนะก็อาจจะทำให้เกิดความคนะล้ายๆและก็เกิดการาสนใจนะหรือให้ความสำคัญกับเรื่องคุณวิเศษนะการที่สามารถไปร่วงรู้นะคนอื่นนะเมื่อตายไปแล้วไปเกิดที่ไหนเป็นอย่างไร นะแล้วก็ก่อให้เกิดศรัทธาเกิดความเลื่อมใสขึ้นมาซึ่งอันนี้ถ้าเราได้ไปศึกษาจากพุทธประวัติก็ดีเรื่องต่างๆก็ดีพระพุทธองคนะ์ก็ไม่ได้สนับสนุนนะในเรื่องของการที่จะแสดงอิทาริสปาฏิหารนะเพื่อที่จะชักชวนให้เกิดความเลื่อมใสนะแต่ว่าท่านจะเน้นนะตรงที่ปาฏิหารนะที่จะทําให้คนนั้น กลับจิตกลับใจนะมาเรียนรู้ตัวเองมาเข้าใจตัวเองเอาชนะกิเลสไดนะ้ตรงนี้เรียกว่าเป็นปฏิหารเป็นสุดยอดปฏิหารนะในพระไตยปิฎกก็ดนะีพูดถึงปฏิหารไม่สามอย่างนะอันแรกก็คืออิทธิปฏิหารนะก็คือ ความอัศจรรย์หรือความปฏิหารที่เกิดจากการทำสิ่งที่คนทั่วไปทำไม่ได้นะเช่นการอหกเอเนินเดินอากาศได้นะการามีหูทิพตาทิพย์นะการทำให้คนคนเดียวกลายเป็นหลายคนได้นะการสามารถที่จะเดินทะลุผ่านกำแพงไปได้นะหรือการ มุดลงไปใต้ดินไปโผล่อีกที่หนึ่งได้นะนี่เป็นอิทธิปาฏิหารซึ่งก็มีกล่าวไว้นในพระไตรปิฎกนะครับ อ, อีกอันนึงนะเขาเรียกว่าอาเทศนาปาฏิหารก็คือลักษณะของการที่สามารถร่วงรู้จิตใจคนอื่นสามารถทายใจคนอื่นได้นะซึ่งอันนี้ก็เป็นปาฏิหารอีกชนิดหนึ่งเป็นความมหัศจรรย์อีกชนิดหนึ่ง ซึ่งทั้งสองส่วนเนี่ยพุทธองค์ก็ไม่สนับสนุนนะไม่ส่งเสริมนะให้ภิกษุนะไปแสดงหรือไปใช้นะในเรื่องที่ไม่สมควรแต่ท่านจะเน้นตรงปาฏิหารออันสุดท้ายก็คืออนุสาสนีปาฏิหารก็คือคาสอนหรือธรรมะนะที่สามารถทำให้คนเราเนี่ย เอาชนะกิเลสไดนะ้สามารถเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจนะจากคนที่โกรธนะเป็นคนที่ไม่โกรธนะเอาชนะความโกรธได้เอาชนะความโลภไดนะ้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถจะทําได้ถ้าปฏิบัติตามนะซึ่งปฏิหารอันที่3ามเนี่ยพระเจ้าองค์ทรงสนับสนุนและส่งเสริม ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ย้อนกลับมาที่พวกเรามาใช้ชีวิตยอยู่ที่วัดป่าสุกโตนะโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะก็มีความตั้งใจนะที่จะมาสร้างปาฏิหาริย์ให้กับตัวเราเองนะก็คือการที่เรามาเรียนรู้นะเรื่องกายเรื่องใจกายใจเนี่ยเป็นสิ่งที่มีอยู่กับตัวเราเองนะแต่ว่าเราไม่เคยได้ความสนใจกับมัน นะเพราะว่าโลกปัจจุบันนีนะ้มันมีสิ่งแวดล้อมนะมีสภาพแวดล้อมต่างๆนะที่ชักชวนให้เราเไปสนใจกับเรื่องข้างนอกนะเรื่องข้างนอกตัวมากกว่านะตรงนี้ก็ทําให้บางครั้ง เ, เราก็หลงลืมตัวไปนะเราทําอะไรไปตามความเคยชินเราทําอะไรไปตามสภาพแวดล้อมตามความคิดนะที่มากระทบ นะสิ่งแวดล้อมต่างๆแล้วเกิดความคิดปรุงแต่งต่างๆนะก็ทำให้เกิดความสุขบ้างทุกบ้างนะหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปนะโดยส่วนใหญ่ก็ทุกมากกว่าสุขลนะนะในยุคปัจจุบันนะตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ทำให้เราเนี่ยหลงลืมนะสิ่งสำคัญในตัวเรานะก็คือกายใจนี่เองเพราะฉะนั้นปาฏิหารที่เราน่าจะสร้าง รือน่าจะสนใจนะก็คือการที่เราม า, เ, าเรียนรู้เรื่องของกายของใจเหล่านี้เองการเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจเนี่ยนะก็มีหลายกันหลายวิธีนะในปัจจุบันนี้นะแต่ที่วัดป่าสุกโตเนี่ยนะก็จะมาเน้นเรื่องการเจริญสตินะที่เรียกว่ า, าสติปัฏฐาน4นะเริ่มจากาการเจริญสติ นะั่นคือการกลับมาระลึกรู้ที่กายของเรานะซึ่งก็มีวิธีการหรือเทคนิคนะที่หลวงพ่อเทียนนะได้นำเสนอไวนะ้แล้วก็เราได้มาประพฤติปฏิบัติกันนะไม่ว่าจะเป็นการสร้างจังหวะ14จังหวะนะการเดินจงกรมนะรวมจนถึงการมีสติระลึกรูนะ้กับอิริยาบถ นต่างๆนในกิจวัตรประจำวันทั้งอิริบทใหญ่อิริบทย่อยนะรกระพิบตาหายใจกืนน้ำลายลงไปในลงคออานะการขบฉันนะการเดินการทำกิจวัตรต่างๆนะซึ่งตรงนี้เนี่ยการที่เราม า, าทำความรู้สึกตัวนะกับกายที่เคลื่อนไหวในอิริบทต่างๆเนี่ยก็เป็นการ เรียกเอาความรู้สึกตัวนะที่เราเคยไปดูสิ่งต่างๆข้างนอกเนี่ยกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวนะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยถ้าเราทําได้นะก็ถือว่าเป็นความอัศจรรย์เป็นปาฏิหาริย์อย่างหนึ่งเหมือนกันนะเป็นปาฏิหาริย์ที่พิสูจน์ได้แล้วก็สัมผัสได้และเราก็เห็นได้จริงๆส่วนอิทธิปาฏิหาริย์ก็ดีอาเทศนาปาฏิหาริย์ก็ดีเนี่ยเป็นเรื่องของคนบางคนนะที่เขาฝึกมา แล้วก็ทำไดนะ้ซึ่งบางคนก็มีความเชื่อก็เชื่อไปบางคนไม่เชื่อก็พิสูจน์ยากนะเป็นเรื่องที่จะต้อง เ, อเกิดความาบางคนเชื่อบางคนไม่เชื่อและบางทีตัวเราเองเราก็ไม่สามารถที่จะทำกับตัวเราเองได้แต่ปรญหารที่เกิดขึ้นจากการเจริญสติเนี่ยนะเป็นสิ่งที่เราพิสูจน์ได้เป็นสิ่งที่เราทำได้ยิ่งเรามาอยู่ที่วัดป่าสุกโต มาฝึกการเจริญสตินะแบบการเคลื่อนไหวเนี่ยมันสามารถพิสูจน์ได้ชัดเจนเลยจากคนที่แต่ก่อนเนี่ยนะเป็นคนที่คิดฟุ้งซ่านนะเมื่อเรามาเจริญสติเนี่ยเราก็สามารถที่จะรู้เท่าทันความฟุ้งซ่านนั้นและความสูงฟุ้งซ่านนั้นมันก็อ่อนกําลังลงนะเรารู้เท่าทันมันนะแต่ก่อนเนี่ย เราไม่เคยที่จะมาดูตัวเราเองเวลาเราง่วงเราก็ไปนอนเลยแต่เมื่อเรามาทำเจริญสติกับการเคลื่อนไหวเนี่ยเราง่วงเราไม่นอนเราพยายามที่จะเรียนรู้ความง่วงนะแล้วก็เอาชนะมันนะเราไม่ทำตามความเคยชินนี่ก็ถือว่าเป็นปาฏิหาริย์อันหนึ่งเหมือนกันนะการที่เราง่วงแล้วเราไม่ไม่นอนซึ่งตรงนี้หมายถึงว่าในช่วงเวลากลางวันนะไม่ใช่เวลากลางคืน เวลากลางคืนมันง่วงมันก็ต้องนอนล่นะนั้นนั้นเป็นธรรมดานะหือบางทีเราคิดฟุ้งซ่านนะแต่ก่อนเนี่ยบางคนยังไม่เคยฝึกมาเลยนะแต่ก่อนคิดฟุ้งซ่านก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะก็กรบเกลื่อนไปนะเอาโทรศัพท์มือถือมาโทรคุยกับเพื่อนบ้างหรืออาจจะไปหาอะไรกินบ้างไปเที่ยวบ้างกรบเกลื่อนไปนะก็คลายคลไปได้บ้างนะเส้นตรงนั้นเนี่ย ก็เป็นการกบเกลื่อนนะความคิดฟุง้งซ่านแต่เมื่อเรามาเจริญสติเนี่ยนะเรามารู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวเนี่ยเรารู้เท่าทันความฟุง้งซ่านรู้มันบ่อยๆเห็นมันบ่อยๆมันก็ไม่สามารถจะมาครอบงำได้ทำนะให้เรามีจิตใจที่หนักแน่นแลนะรู้เท่าทันนะปล่อยวางความคิดฟุ้งซ่านเหล่านีนะ้แล้วก็ไม่ ไม่ปรุงแต่งไปแต่ก่อนเราเคยชินกับการที่ปรุงแต่งความคิดฟุ้งซ่านไปต่างๆนาน า, นาเราไม่สามารถที่จะควบคุมเขาได้เราไม่สามารถจัดระเบียบความคิดได้แตนะ่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปาฏิหาริย์เป็นความมหัศจรรย์แนะที่เราสามารถจะทำได้พิสูจน์ได้และเป็นจริงนะทีนี้เมื่อเรารู้กายที่เคลื่อนไหวเนี่ยนะมันก็จะรู้เข้าไป ในเรื่องของกายของเราเวลาเจ็บเวลาปวดเวลาเมื่อยเราก็แก้ไขบรรเทาปรับเปลี่ยนอิรยาบทไปตามความเหมาะสมนะเมื่อหนาวนะเมื่อร้อนนะเราก็รับรู้แต่ก่อนบางทีหนาวมากร้อนมากเราก็กระวนกระวายใจนะเมื่อเรามาเจริญสตนะิเรามาทําความรู้สึกตัวเนี่ย หนาวก็รู้เราก็รู้ว่าหนาวนะเอาผ้ามาหม่มนะร้อนก็รู้ว่าร้อนนะก็แก้ไขไปไม่ต้องไปกังวลกระวนก歪ใจนะไม่ต้องไปเป็นทุกข์ใจนะตรงนี้ก็เป็นปาฏิหาริย์ได้อย่างหนึ่งเหมือนกันซึ่งเป็นสิ่งที่เราสามารถจะทําได้นะเป็นสิ่งที่เราสามารถจะพิสูจน์ได้หรือแม้แต่ความหิวความกระหายนะแต่ก่อนเนี่ย พอเราหิวเนี่ยบางคนไม่เคยได้ฝึกมานะก็รู้สึกเป็นทุกขนะ์ไม่ได้กินไม่ได้รับทานไม่ได้ดื่มนะก็รู้สึกกระวนกระวายนะเดี๋ยวนี้พอเรามาฝึกแล้วเมื่อหิวเมื่อกระหายแล้วก็รู้นะเราก็จัดการแก้ไขนะรับทานตามพอเหมาะพอดีนะไม่ได้ทําไปตามอารมณ์ไม่ได้ไปตามตามความหิวนะกินเกิน จนทําให้เกิดจุกเสียดแน่นนะหรเป็นโรคภัยไข้เจ็บนะถ้าเรามีสติเรามีความรู้สึกตัวเนี่ยมันก็จะทำให้การกินการอยู่ของเราเนี่เป็นปกติพอดีพอดีนะสุขภาพก็แข็งแรงนะโรคภัยไข้เจ็บก็มีน้อยนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกตัวเป็นปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นจากการที่เรามารู้สึกตัวนั่นเองนะ น, นี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น นะกับร่างกายเพราะฉะนั้นคนที่เจริญสตินะได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเนี่ยโรคไปแค่เจ็บก็จะน้อยนะสุขภาพก็จะดนะีตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างปฏิาหาริกับตัวเราเองได้เมืนะ่อเราเรียนรู้กายได้บ่อยๆนะมีความรู้สึกตัวกับกายบ่อยๆเนะี่ยมันจะมันก็จะเข้าไปเร่องรูนะ้ความรู้สึกนะสุขทุก ที่เรียกเร า, ราภาษาพัดเราเรียกว่าเวทนานเวทนานุปัสนาสติปทา น, นตรงนี้เนี่ยจริงๆเวทนาเนี่ยมันก็แสดงตัวของมันอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าความรู้สึกตัวหรือสติที่เรายังไม่ได้เคยฝึกเนี่ยมันอาจจะไม่ไม่แหลมคมมันยังมองไม่เห็นไม่ชัดเมื่อเรามาทําความรู้สึกตัวกับกายที่เคลื่อนไหวอยู่บ่อยๆมันก็จะเกิดความเคยชินเกิดนิสัยนะ มันก็จะมีตาทิพย์เกิดขึ้นนะเราเรียกว่าตาทิพย์ก็ได้เรียกว่าตาวิเศษก็ได้หลวงพ่อคำเขียนชอบใช้คำคำนี้นตาทิพย์หรือตาวิเศษเนี่ยก็คือความรู้สึกตัวนั่นเองนะมันก็จะไปรู้สิ่งที่มองไม่เห็นนะก็คือความรู้สึกสกทุกข์นะหรือความรู้สึกที่ใจเป็นปกตินะสิ่งสิ่งเหล่านี้เขาแสดงตัวของเขาอยู่แล้วมันเป็นปรากฏอาการ์ที่มันแสดงอยู่ภายในตัวเราเองนะ เมื่อเราจเจริญสตนะิจนเห็นชัดเห็นแจ้งเนี่ยเรียกว่าตาทิพมันเปิดขึ้นมาเนี่ยนะเราก็เห็นสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็ไม่เข้าไปเป็นกับมันนะมันจะสุขก็รู้ว่าสุขมันจะทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์เป็นเพียงอาการนะไม่เอาตัวตนไม่เป็นตัวเป็นตนขึ้นมานะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นปาฏิหาริย์อันหนึ่งเหมือนกันนะเป็นปาฏิหาริย์ที่เราสามารถจะสร้างขึ้นมาทําขึ้นมาไ ด, ได้ด้วยความเพียรพยายามของเรา นี่ก็เป็นส่วนที่ส่วนที่สองนะทีนี้นอกจากนั้นเนี่ยเมื่อความรู้สึกตัวเราชัดเจนขึ้นเนี่ยมันจะเป็นอาการต่างๆของจิตที่สำคัญที่สุดก็คือความคิดปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไวมากเขาบอกแสงเนี่ยไวที่สุดในโลกแล้วนะความคิดมันไวกว่าแสงเป็นสิ่งที่เป็นพลังงานที่มันไวนะ แตนะ่มันก็มีสิ่งที่ไวกว่าความคิดนะก็คือความรู้สึกตัวนะหรือสตนะิซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะทำขึ้นมาได้ความคิดปรุงแต่งนี่แหละนะที่ทำให้เรามีสุขมีทุกข์นะมีความโลภมีความโกรธมีความหลงนะแล้วก็มีอาการต่างๆที่แสดงขึ้นมานะที่เราทุกข์กันที่เราหนัก อ, อกหนักใจกันก็เพราะความคิดนเอง เพราะการที่ไม่รู้ทันความคิดนี่เองความคิดที่ว่าเนี่ยนะก็มีความคิดอยู่2ลักษณะนะอันนึงก็คือความคิดที่เราไม่ตั้งใจคิดนะหลวงพ่อคำเขียนมักจะใช้กำว่าลักคิดนะหรื อ, อ, อจามพิจต า, าก็ใช้ว่าความคิดปรุงแต่งนะซึ่งความคิดอันนี้นะก็มีอิทธิพลมากนะกับคนที่ไม่เคยได้ฝึกเจริญสตินะชีวิตเราส่วนใหญ่ถูกไอ้ความคิดประเภทนี้ ครอบงำนะทำให้เราสุขทำให้เราทุกข์เราให้ทำโลภนะทำให้เราโลภทำให้โกรธนะและตัวที่สาคัญก็คือตัวหลงเนี่ยนะก็คือหลงหลงคำว่าหลงเนี่ยก็คือหลงลืมไม่ทันไม่รู้เท่าทันความคิดนะตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งเป็นความรู้สึกตัวที่มันจะเข้าไปเห็นนะตาทิพมันจะเข้าไปเห็นสิ่งที่ละเอียดเข้าไป ถ้าเราเห็นเท่าทันตรงนี้นะเราก็ไม่ตกไปจมอยู่ในกระแสะของความคิดนะหรือคลื่นของความคิดที่เอ่อมีอยู่นะที่เป็นความเคยชินของเราส่วนความคิดอีกอันหนึ่งเป็นความคิดที่เราตั้งใจหรือเจตนานะที่จะทำการทำงานนะตรงนี้เนี่ยคนที่ทางานในโลกเนี่ยย้จจาเป็นต้องใช้หรือแม้แต่พระสงฆ์พระภิกษุ สำเนินอะไรก็ดีเมื่อจะทําการทำงานก็ต้องคิดและมีเจตนาคิดคิดที่จะทําทนู่นทนํานี้แต่ความคิดประเภทนี้เนี่ยเมื่อเราใช้เสร็จเรียบร้อยเราก็จบและถ้าเรามีความรู้สึกตัวที่ชัดเนี่ยความคิดนี้มันก็จะจบนะแล้วก็มันจะเป็นความคิดที่กระจ่างไส้และชัดเจนแล้วก็มีความคมชัดนะเพราะว่าความคิดปรุงแต่งเนี่ยมันมีน้อยเพราะฉะนั้น การที่เรามีความรู้สึกตัวเนี่ยก็ทำให้เราเป็นคนที่มีความคิดที่แหลมคมมีสมาธิความคิดจุกจิกที่เป็นความคิดที่เราไม่ตั้งใจคิดเนี่ยมันก็จะลดน้อยหรือถอนกำลังลงไปไม่มีอำนาจที่จะมาครอบงำในจิตใจเราได้อันนี้ก็เป็นปาฏิหาริย์ที่เราสามารถจะสัมผัสได้เป็นสิ่งที่เราจะทำให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองได้นะตรงนี้ก็ทาให้เราสามารถที่ปล่อยวาง นะการปล่อยวางเนี่ยเราไม่ได้ไปปล่อยวางหรอกแต่ความรู้สึกตัวเนี่ยนะแล้วก็ปัญญาสติสัมปชัญญะนะปัญญาเนี่ยเขาจะมาทําหน้าที่ของเขานะปล่อยวางนะสิ่งที่เป็นความหนักอกหนักใจของเรานะทําให้เบาอกเบาใจนะการที่เราได้เรียนรู้กายก็ดีนะเรียนรู้เวทนาก็ดีเรียนรู้จิตก็ดีนะสิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อประมวลออกมาก็เป็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นธรรมานุปัสสนาสติปฐา น, นาซึ่งเป็นอสติปฐานตัวสุดท้ายาซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในตัวเราเนี่ยถือว่าเป็นธรรมะทั้งสิ้นจะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลก็ตามาเป็นสิ่งที่เราจะต้องรับรู้เรียนรู้แต่เราไม่ไปตกจมอยู่ในกับสิ่งเหล่านั้นนะ เพราะฉะนั้นคนที่มาศึกษาเรื่องของการเจริญสติก็ดีนะเรื่องของกรรมาฐานก็ดีเนะี่ยเราอย่าไปปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึ้นนะจะเป็นความง่วงเหงาเหานอนความฟุ้งซ่านนะความพยาบาทนะความยินดีในสิ่งต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่ต้องไปปฏิเสธเลยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วเรามีหน้าที่ดูนะดูไม่เข้าไปเป็นนะนี่คือตาทิพย์ ที่มันมีอยู่แล้วในทุกๆคนเพียงแต่เราจะเปิดตานี้ขึ้นมาหรือไม่นะการเปิดตาก็คือการที่เรามาเจริญสตินะมาทำความรู้สึกตัวอยู่บ่อยๆนะตรงนี้จะทำให้เราไม่หลงลืมตัวเองนะซึ่งตรงนี้เป็นปฏิหารที่เราน่าจะทำขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำอย่างนี้อยู่บ่อยๆก็จะทำให้เกิดสิ่งที่ เป็นปฏิหารอันหนึ่งก็คือทำให้จิตใจของเราเนี่ยเบาสบายนะคำว่าเบาสบายในที่นี้นะหมายถึงจิตใจเนี่ยเป็นปกตนะิจิตใจปกติเนี่ยถ้าว่าไปแล้วเนี่ยถ้าดูโดยทั่วๆไปก็จะเออมันก็เป็นเรื่องธรมธรมดาาแต่คนยุคปัจจุบันเนี่ยนะน้อยคนนะที่จะมาเห็นความสำคัญเรื่องนี้หรือน้อยคนนะ ที่ยัมาทำให้มันเป็นปกติบ่อยๆนะส่วนใหญ่ก็จะตกอยู่ในกระแสของความสุขบ้างความทุกข์บ้างนะแล้วส่วนใหญ่เราก็ชอบสุขเกลียดทุกข์นะเพราะนั้นพอสุขเนี่ยเราก็อยากเอาเข้ามาพอทุกข์เราก็อยากผลักออกไปแต่ความสุขความทุกข์มันไม่ได้อยู่ที่ตัวเราอะนะเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เขาเป็นของเขาเราไม่สามารถไปบังคับบัญชาได้นะไม่สามารถที่จะไป เออเป็นไปตามใจเราได้นะเพราะนั้นมีทางเดียวก็คือเรากลับมารู้สึกตัวนะเมื่อสุขก็รู้เมื่อทุกข์ก็รู้นะเมื่อรู้แล้วมันจะปล่อยวางนะปล่อยวางก็ใจก็จะกลับมาสู่ความเป็นปกติเพราะฉะนั้นการที่เรามาเจริญสติเนี่ยเพื่อให้รู้เท่าตันความจริงเหล่านี้นะเพื่อให้รู้สิ่งต่างๆที่แปรเปลี่ยนไป เพื่อรู้สิ่งที่ไม่สามารถที่บังคับบัญชาได้นะและให้ใจเราเนี่ยกลมเกินกับความเป็นธรรมชาติก็คือความเป็นปกตินั่นเองนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปฏิหาริย์ที่สามารถจะสร้างที่สามารถที่จะทําขึ้นมาให้กับตัวเราเองได้และไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยนะของคนเราทุกคนในยุคปัจจุบันที่สามารถจะทําได้นะไม่ใช่สิ่งลี้ลับไม่เป็นสิ่งที่ เป็นเรื่องเฉพาะตัวหมายถึงว่าบางค น, นํำได้บางค น, นํำไม่ได้นะพุทธองค์ก็ได้กล่าวไว้ว่าเมื่อใดก็ตามที่ปฏิบัติถูกต้องตรงนะตามมักมีองค์8นะเออก็สามารถทิ่จะเข้าใจนะในเรื่องเหล่านี้ได้นะเพราะฉะนั้นการที่เรามาใช้ชีวิตร่วมกันที่วัดป่าสุกโตนำะมาเรียนรู้การเจริญสตินะด้วยความรู้สึตัวเนี่ย นะเป็นสิ่งที่เอ่อเป็นความมหาัศจรรย์นะเป็นปาฏิหารนะที่เราจะสร้างให้กับชีวิตของเรานะเพราะฉะนั้นการมาใช้ชีวิตที่นี่เนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดที่เราจะทําภารกิจเร่งด่วนภารกิจสําคัญคือเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องอื่นเลยแนะก็คือการมาเจริญสตินะซึ่งเป็นปาฏิหารแห่งการตื่นอยู่เสมอที่ท่านทิชนัทฮันนะ พระภิกษุชาวเวียดนามที่ได้เขียนหนังสือเอาไว้แล้วก็พระประชาท่านแปลออกมาซึ่งหลายคนคงได้อ่า น, นตัวกระผมนิยตามาเองที่มาสนใจเรื่องของการเจริญสติก็จากหนังสือเล่มนี้ด้วยได้มีโอกาสอ่านแล้วก็รู้สึกสนใจนแล้วก็ทึ่งในสิ่งที่ท่านได้เขีย น, นที่เราสามารถจะเอามาใช้ในชีวิตประจําวันได้การเจริญสติเนี่ยนะ ถ้าเราจะอยู่ในเฉพาะรูปแบบเนี่ยมันก็แคบเกินไปเพราะฉะนั้นเราจะต้องอพยายามนะใช้ความเพียรพยายามที่จะใช้กับชีวิตประจำวันนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะไมส่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการเจริญสติในรูปแบบ วัตถุจจสําคัญอันหนึ่งของการเจริญสติทําอย่างไรที่จะให้ความรู้สึกตัวของเราต่อเนื่องเป็นลูกโซ่อย่างที่หลวงพ่อเทียนท่านได้พูดเอาไว้คําว่า ต, ต่อเนื่องเป็นลูกโซ่เนี่ยก็คือเรามีความรู้สึกตัวในกิจวัตรประจําวันของเราด้วยไม่ว่าจะเป็นการไหวพระสวดมนต์การแปลงฟันการล้างหน้าการขบฉันการทํา อิ จ, จวัติต่างๆการเดินนะการพูดการคุยแต่จริงๆเนี่ยคนที่มาปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยนะงดการพูดคุยได้จะดีมากนะตรงนี้จะทำให้เร า, เามีความรู้สึกตัวที่ต่อเนื่องนะโนะดยเฉพาะยิ่งเราอยู่ที่วัดเนี่ยในช่วงการปฏิบัติเนี่ยพยายามพูดคุยให้น้อยนะตรงนี้จะเกิดผลนะแล้วก็มีความเพียรพยายาม พยายามเอาชนะอุปสรรคที่ที่เขาเรียกว่านิวรณ์นะก็คือความง่วงความฟุ้งซ่านแตนะตรงนี้เนี่ยการเอาชนะเนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรนอกจากเอาความรู้สึกตัวเนี่ยนะเอาการเคลื่อนไหวนี่แหลนะมาเป็นหลักนะที่จะแก้อารมณ์ต่างๆนะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่จะทําให้เรานั้นนะมีการเจริญสติอย่างต่อเนื่องเพราะนั้นการเจริญสติอย่า อย่าอยู่เพียงในรูปแบบก็คือขณะเวลาที่เรานั่งสร้างจังหวะเดินชงกลมเท่านั้นนะเราจะต้องพยายามเพียรพยายามทําความรู้สึกตัวในการเคลื่อนไหวในอิริยาบถต่างๆในกิจวัตรประจําวันต่างๆนะพยายามตรงนี้เนี่ยจะทําให้ความรู้สึกตัวนั้นต่อเนื่องเป็นลูกโซ่แล้วนะมันจะเกิดผลขึ้นมานะซึ่งตรงเนี้เป็นปฏิหารที่เราสามารถจะทำให้เกิดขึ้นในทุกขณะ ของชีวิตของเราได้นะซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็จะทําให้เราสัมผัสกับความเป็นปกติของกายของใจนะซึ่งสิ่งเนี้ยถือว่าเป็นปฏิหารอันหนึ่งนะที่เราสามารถจะทําขึ้นมาได้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยนะเพราะฉะนั้นที่นําเสนอพูดคุยในวันนี้นะก็เป็นสิ่งที่เล่าสู่กันฟังนะคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์นะแล้วก็อ ให้กำลังใจนะกับคนที่โดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นใหม่ก็ดีคนที่ฝึกเก่าก็ดนะีคงจะช่วยให้เกิดกำลังใจในการปฏิบัติแล้วก็ในท้ายที่สุดนี้นะก็ขอ อ, อ้างอิงเอาคุณของพรนตรนะไตรก็คือพระพุทธนะพระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะ ก็คือสติปัญญาที่มีอยู่ในตัวเรานั่นแหละนะพระธรรมนะก็คือความจรงิงนะหรือจธรรมนะที่เขาแสดงตัวให้เราเห็นอยู่ตลอดทุกเมื่อเช้าวันนะที่มีอยู่ในตัวเราเหมือนกันและพระสงคนะ์ก็คือการประพฤติธปฏิบัติของตัวเราเองนะที่จะเข้าไปเรียนรู้ความจรงิงนะคือสัจธรรมความจริงนี้นะและก็ขอให้ความเพียรพยายามของทุกท่านนะจงบังเกิดผล นะในปัจจุบันชาตินี้โดยทั่วหน้ากันเทินเจริญพร